เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนีสน้สุดทันระปริวาตรสุดทันระหน้าสี่สิบเจ็ดในนี้สุดทันระปริวาตนะในพระบาลีก็ในนี้ในพระบาลีท่านแสดงไว้ต่อจากลำดับของการแสดงมานัท นะการประพฤติมานัที่ไม่เป็นธรรมในในพระบาลีนะครับเพราะฉะนั้น ใ, ใ, ใ, ในในในนี้ก็เลยต้องต้องอัตถกาถาก็ต้อ ง, องเรียงตามนั้นเหมือนกันนะครับในพระบาลีก็ในนี้ในพระบาลีท่านแสดงไว้ต่อจากลำดับของการแสดงมานัทนะการประพฤติมานัทที่ไม่เป็นธรรมในในพระบาลีนะครับเพราะฉะนั้นในในในนี้ก็เลยต้องต้องอัตถกาถาก็ต้องเรียงตามนั้นเหมือนกันนะครับพอจบวิธีวิธีที่ท่านแนะนําวิธีอะไรอันนี eria, ้ไม่ถูก อ, อันนี ia, ้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูก จบวิธีอย่างนี้แล้วก็ขึ้นตามลําดับของพระวาลีเหมือนกันนะครับขึ้นตามลําดับเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านยิงบอกว่าสุดทันแต่บริวารนี่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเออเออมันเป็นบริวารที่พระเจ้า อ, อนุญาตในในเรื่องนี้ว่าเตนะโขวะนะสมยเยอัญจโรภิกขุจามเมาาสังคาทิเสสาปโยอาปัโนโหติอาปติปริยันตังนะชาณติรัติปริยันตังนะชาณติ อนุญาตให้สงให้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัตหลายๆมากเลยต้องอาบัตที่สังฆทานิเสษด้วยกันมากมายกําหนดจําจํานวนที่สุดนะครับคําว่าที่สุดเอาแปลตามเขาแปลกันก่อนรู้ไม่รู้ที่สุดของอาบัตนะครับไม่รู้ที่สุดของลาตีนะครับตรงนี้ทีนี้ถามไม่รู้ที่สุดของอาบัตเช่นยังไงครับหมายถึงหมายถึง อ่าลองความเห็นอื่นไม่รู้ที่สุดของอาบัตไอตัวกี่ครั้งคืออันเดียวกัน <conduction. S 2> ในในถ้าเราพูดว่ากี่ครั้งไอพระบาลีจะใช้คําว่ากี่ตัวเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาอาบัตก่อนเอาอาบัตก่อนครับไม่รู้ทีๆๆ่สุด อ, อ, อาบาัาาตคือ <ๆ S 3> ไม่ใช่ ไม่รู้ที่สุดอาบัตไหมายควม่าคือนั่ที่ผมเข้าใจคือไม่รู้ที่สุดอาบัตในที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องตัวไหนบ้างแต่รู้ว่าต้องอ่ามีใครอีกไม่รู้ว่าต้องอ่าใครอีกอ่าใครอีกไม่รู้ว่าต้องอ่อ่คือคือเพราะาสนักขัตฤกษ์นี่นักขันฤกษ์นี่มันต้อง คือสงสัยสงสัยก็ไม่ได้ใช่ไหมคือสงสัยในที่นี้ไม่ใช่กสงสัยคือต้องจริงจริงแต่ไม่เข้มงวดใช่ไหมครับอย่างนี้ความเห็นแรกๆถูกนะครับไม่รู้ที่ส at ุดของอาบัติคือไม่ร mm ู้ว่ามันกี่ครั้งเว้แต่อาการอย่างนี้ทํามาแล้วพอถูกพระวินานถามพอเข้ามามมาาพอพอตัวเองทำแล้วก็เนี่ยพอถูกพระวินายถามเธอทําอย่างนี้กี่ครั้งแล้ว โอ้โสมมติอเ น, นาฌานเป็นพระฌานทํ า, าทมากี่ครั้งฌานในตังโกติงอะตังนี้่คือมันกี่ครั้งโอโ้มันจาไม่ได้จะมาถามครั้งอย่างนี้อย่าถามดีกว่าคือมันโอ้โหใครจะไปนับมันใช่ไหมมันเยอะเลอกเกินใครจะไปนับมันอย่างนี้ครับไอะจะ ก, กี่ข้อนั้นไม่ไม่ไม่ไมรู้ล่ะแต่สมมติห่งข้อเดียวอชํานาญเลอะเกินข้อสุกาวิสัตินี่ชํานาญเลอะเกิน มันแค่คอเดียวก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วมันนับไม่ได้เลยอ้าวรวมไปคออ่อยอย่ยไม่ต้องนับคอโน้นก็ไม่รู้อีกไม่ต้องนับอย่างนี้ครับเรียกว่าไม่รู้ที่สุดของอาบัตแต่ไม่เป็นประมาณในสุดทันตปริวตัตนะครับเกี่ยวกับอาบัตนี่เพียงแต่ต้องก็อนน้อยใช้ได้แล้วนะครับแต่ความวันนี้รัตติปริยัญตังนะาชาติไม่รู้ที่สุดแห่งราตีตรงนี้สิครับเป็นประมาณที่พรเภกนายทอนจะต้องสอบสวนเพื่อจะต้องให้อยู่ปริวตัต ในระยะไหนเพื่อจะเราจะตรวจบริญญาให้ใระยงไหนเนี่ยครคือจะต้องให้เธอประพฤติในขณะไอ้แค่ไหนแค่ไหนตรงนี้นี่ครับต้องต้องต้องสอบถามว่าอ้าวช่วงนี้ไปช่วงนี้นะตั้งแต่เธอบวชมาช่วงนี้เธอบริสุทธิ์ไหมหลังจากบวชเออเออหรือตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันนี้นนเธอบริสุทธิ์ไหมอย่างนี้ครับอย่างนี้ต้องสอบถามที่นี่ด้วยนะครับตรงนู้นเพียงแต่เราสอบถามว่า อาการอย่างนี้อย่างนี้อ่เธอทําแล้วใช่ไหมเธอมีมีความรู้ใช่ไหมว่านี่เป็นอาวัตเธอพยายามแล้วเธอปกปิเธออะไรอย่างนี้ต่างหากครับอย่างนี้นะครับไม่รู้ไม่รู้คําว่าไม่รู้นี่ในที่นี่ไหนฮะราตีก็เหมือนกันนะครับโอ้ยจะให้ไปนับอย่างนี้โอ้ยนับไม่ถูกครับอ๋อ้ไอ้ตัวน <ette> <know> no. mm ี้เท่านี้ไอ้โอ้ยก็มันจะม่รู้กตัวอย่างไรครับโอ้ยผมจะไปจําได้อย่างไงว่ามันไอ้ตัวไหนมันมันผิดมาขนาดไหน จำไม่ได้ครับไอ้ตัวนี้ไปค้างอยตัวนู้นตัวนู้นอ้อยไม่รู้แล้วครับจําไม่ได้คือจําไม่ได้อย่างนี้ครับแต่เธอจําได้ไหมว่าเอาเธอบวชมาแล้วหนึ่งเดือนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ครับสองเดือนอ่ะบริสุทธิ์สามเดือนโอย้ยยังไม่นี่สี่เดือนโอ้ยยังไม่เมีครับห้าเดือนแม่นี่นี่นี่เข้าเดือนเนี้ครับผมว่าแต่ไม่รู้วันไหนแต่ผมว่าในระยะเนีนะ้แต่พอพร ะ, พระสงฆ์ตวจปิวาติให้แล้วพอเข้าไปนีไม่ใช่เดือนที่ห้าไว้จําผิด คิดว่าเดือนที่แปดเรายังบริสุทธิ์อยู่เลยก็อยู่ไปบริวารลดน้อยลงมาอีกแต่ไม่ต้องสรวจใหม่สรวจของเดิมนะครับใช้ของเดิมไปเลยแต่ลดลงมาลดลงมาลดลงมาบางทีนึกไปนึกมาโอ้ยมัอนพึ่งปีที่แล้วนี่ว่าโอ้ยไม่ใช่อีกโอ้ยพึ่งเดือนกว่าๆเลยขอมันเดือนกว่าๆอย่างนี้เลยเลยประพฤติเดือนกว่าๆไม่ใช่ขอเดือนกว่าๆคือขอครั้งเดียวนั่นเองครับแต่พราะพอประพฤติไปเดือนกว่าๆโอ้โหยมันไม่ใช่นี่วะจาผิดอีกแล้วนู่น เดือนนู้นก็ยังไม่ไม่บริสุทธิ์นี่วะเอาไปอีกครึ่งเดือนเอาเมือนไปครึ่งปีอะไรอย่างนี้ยืดขึ้นก็ได้หดลงก็ได้ตามใจป่าถนาพอมั่นใจเลยว่าโอ้มาเดือนนี้ยครับผมบริสุทธิ์แน่นอนแล้วก็เลยเข้าไปหาสงขอมานัดครับอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าจุรัสุธันนะครับอย่างนี้ผมพูดสุทธันตะเลยรวมไปจุรัสุธันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาหาสุธันไว้พรุ่งนี้แล้วกันหมดเวลาเขาขึ้นนั่งกันแล้วครับการไหะ บอกบอกอะไรอแสดงไม่ได้แสดงคือไม่ไม่ไม่ไม่ได้ทำประชมืนกันประชิกมันมันมันประชิกก็ต้องบอกงั้น ก, น ก, ก, การแสดงอาบัติประชิกคือบอกแล้วก็สึกไปอื ม, อมอยังไม่ได้บอกใครเลยปกผิดไว้อย่างงั้นแล้วแล้วถามว่าจะได้ชานไหมไม่ได้ น้ากันฤศีถ้าถ้าถ้าเอาไม่ดังฤศีฤศีก็คือคนใช่ไหมคือคนฤศีมีอาบัติป่ะพระพุทธเจ้าบัญญัติป่ะอาคนคนแล้วกันไม่ดังฤศี อ, อคนคนมีอาบัติบาละชิกไหมไม่มีทมําไมพระมีป่ะกั น, นั่นนี่เพราะเราเราเร า, เราละเมิดข้อที่บัญญัติใช่ไหม แล้วมันมีไม่ได้ตรงนี้มีโทษด้วยแต่ทําไงท่งหายในในปรชิบปรชิบต้องการแสดงการออกจากอาบัตปราชิบ ค, คือต้องบอกด้วยบอกแล้วก็ตึกด้วคือยอมรับครับยอมรับองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้บอกกับองค์ใดองค์หนึ่งหรื อ, บ, บ, อกก บ, รบอกกับสงบอกกับชนะได้เขาจะมีบอกไว้เลยว่าอะไร อ, อกุกติการนี้จีทิตวาอันธเริงปะคใหเหตวาแล้วก็บอกอาบัต ในอาการของตอนที่ต้องข้อหนึ่งข้อสองอาการใดอดาการหนึ่งใ น, ในสี่ข้อนะั้นแล้วก็สละเพศออกไปอย่างนี้อาบัตินั้นเธอเธอออกแล้วออกจากอาบัติวาลชิกแล้วไม่มีโทษเพราะเพราะเพราะการต้องอาบัติตรงนี้แล้วไม่มีโทษได้ใชเ่เออเสือก็พระโพธิสัตว์ห่อห่อไปเห็นนางนั้น เมสสีนอนแก้ผ้านั่นโดดลงไปสุกแล้วก็เสื่อมแล้วน่ะอ๋อพระเหรอบอกก็ยังอ่ะไม่ได้ทางนั้ี่เจ็ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้แสดงนี่ใยญ่ยาวยาว่าแต่นั้นแม้แต่แม่แต่พวกทุกกดทุกเกิดพวกไอ้อะไรอย่างนี้ก็มีไม่ได้ใช่ไหม อ่าใช่ใช่หรอเพราะอาดอะไรตรวนี้ไม่ใช่ว่าเราทําทําคืนไม่ได้เราทําคืนได้นะแต่แต่ห้ามนะนี่ห้ามถ้าเราไม่ได้ทําคืนนี่มันมั น, ม, นมันไม่ได้แต่ถ้าทําคืนแล้วได้ไม่ได้ได้ทําคืนแล้วมีได้บาราชิกะมีโทษครับโทษโทษยังติดตัวเราอยู่อย่างนั้นเองครับ เพราะเราเราไม่ได้ไม่ได้ยอมรับสภาพที่เราต้องไงไม่ได้ยอมรับเลยมีโทษบอกว่าต้องเาบัตรเครดตก่อนแล้วค่อยอศหรือว่าบอกเสร็จแล้วก็ไปขอศไปไม่ต้องขอศึกบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเราก็สาเพศของเราเลยเราลาไปล้วก็ขอบวชไปเนนก็ได้ แ, แต่ถ้าไม่บอกไม่บอกไม่ไม่บอกเลย ไม่บอกก็อยู่เป็นพระเองมีโทษไปตลอดตลอดตลอดเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็มันไม่ได้ไอ้เพีงยงแคนั่งอยู่คนเดียวเฉยๆก็คิดแลาที่ที่ชนบุรีมีแกเป็นเจ้าวาดเขาเป็นเจ้าวาดบวชม า, านานเป็นเจ้าวาดแล้วเขาก็สงสัยกันพอมีคนเริ่มสงสัยอแกแกบอกเลยบอกกับคนเลย ว่าแกต้องอาบัตบาลานชิกแล้วแกก็ใส่เสื้อผ้าไปเลยเดี๋ยวนี้แกก็อยุดได้เข้าอัเขา้าวาเขาอะไรความจรงแกก็รู้ในบ่างพอสมควรแต่มีบางคนก็ไม่บอกเลยไม่บอกถึกออกไปก็มียังอยู่ยังเดี๋ยวนี้ก็มีไม่บอกไม่บอกจริงๆแล้วต้องบอกบอ ก, อ ก, ก็ยังมีโทษโทษก็ยังคือตรงนั้นต้องเราต้องตง้องได้รับผลกรรมตรงตร ง, ตรงนั้นนะครับต้องมีโทษตรงนั้นด้วย เธยังไงนหมอกโทษไม่ได้เดี๋ยวสิขาวันนี้เป็นอักษลอักษร่ะเป็นเป็นอักษรงั้นมีได้พระที่เย็ดบอกว่าเขามาหายานใช่ไหมเออก็บอกว่าเขาไม่ไม่ วิธีของเขาเขาก็สําคัญเขาเป็นพระใช่ไหมแต่ในลักษณะจริงๆท่านตามวินัยคุณเจ้าบางทีเขาก็เป็นฆราวาสเองแถวะฉะนั้นเขาก็ทําได้ทําได้สุทันตาบริวาสนะครับวันนั้นหยุดไปที่สุทันตาบริวาส <c oughs> ขอแก้ตรงนี้นิดนึงวันนั้นอบอกว่าที่ปัญหาที่ท่านลดพบมาว่าเขาบอกว่าสุทันตาบริวาสนั้นท่านบัญญัติไว้ทีหลัง นะครับเพราะฉะนั้นอาบัตอะไรอะไรที่เราต้องแล้วก็รวมลงอยู่ในจุดทันปริวาติอยู่สุดทันปริวัติแล้วก็เป็นอนว่าสําสเร็จไปนะครับหรือออกจากอาบัตได้ไปผมบอกว่าลําดับนั้นท่านแสดงสุดทันปริวาตไว้ก่อนแล้วว่าสมโธฐา น, นาปริวาตไว้ทีหลังอันนี้อันนี้ขอแก้อย่างนี้นะครับว่าเราไม่รู้ว่าท่านแสดงอันไหนก่อนแต่ในหนังสือท่านเรียงไว้ก่อน เรียงสุดทันปริวัตอย่างนี้ไว้ก่อนอย่างที่ <c oughs> วันก่อนจทไปทีหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าว่าปริวัตมีปริวัตมีสามใช่ไหมครับสามคือไม่ไม่ไม่ใช่โจทย์ที่ผมโจทย์ให้วันหลังอันนั้นผมผมไม่ได้เรียงตามลาดับในหนังสือนะครับ <c oughs> อ่าไปนะ อ, อ่า <c oughs> ปฏิชัน่ปริวัตแล้วก็ แล้วก็สุทันตปริวาสแล้วก็สมุทานบริวาสนะครับเรียงไว้อย่างนี้แต่ในที่นี้เราไม่ต้องไปพือเป็นประมาณว่าอันไหนแสดงก่อนอันไหนแสดงหลังหรืออันไหนบรรยัติก่อนอันไหนบัญยัติหลังอนุญาตก่อนอนุญาตหลังนะครับเราจะรู้ว่าอยู่แล้วสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรืออยู่ถูกต้องตามที่พระองค์ทรงแนะนําหรือไม่ในปริวาสเหล่านั้นเราดูในลักษณะของปริวาสในของอาบัตที่ปกปิดนะครับในลักษณะของการปกปิด ในสุธานตปฏิวาทนี <c oughs> จ่จะจะกําหนดว่าเอาเอารวมก่อนนะครับว่าสุทันยังไม่ต้องจุระหรือหรือมหานะครับคือมันมีลักษณะอย่างเดียวกันเพียงแต่มันมันมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับในลักษณะของสุทันตรปริวาทวันก่อนให้ไ ว, ว้ว่าอสุทนันดปราวหมายถึงหมายถึงอะไรครับครับไม่รู้ลาตีนะครับ แต่ในนั้นจะมีบอกไว้ว่ารู้ที่สุดของอวบัดก็ดีไม่รู้ว่าดีแต่อาจารย์มหาบอกว่าตรงนั้นไม่เป็นมารตรงไอาราตีทั้งหางที่เป็นมารคือรู้ว่าเราต้องอย่างเนี้ยนะครับรู้มาแต่ไอาราตีนั้นกําหนดไม่ได้ก่อนในนี้รวมๆนะครับพูดรวมๆกําหนดหรือจาไม่ได้จําไม่ได้จําราตีไม่ได้วันนี้ท่านเรียกว่าจุดทันดาปริวาสนะครับทีนี้มากําหนดต่อไปว่า <c oughs> เมื่อไปหาพระวินัยทรพระวินัยทรนซักถาม ช่วงนี้ท่านยังบริสุทธิ์ไหมยังบริสุทธิ์ช่วงนี้อ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วง น, นี้อย่างนี้คือถ้ายังระลึกถึงช่วงที่ยังบริสุทธิ์ได้มีอยู่ตั้งแต่บวชมาแล้วกันนะครับยังมีช่วงแห่งการบริสุทธิ์อยู่ระลึกได้อยู่ว่าตรงนี้นะครับผมยังไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องอาการอย่างนี้เลยยังไม่มีอย่างนี้ปริวาสที่ภิกษุเอทีสงให้นั้นคือจุรสุทันดับปริวาสนะครับแต่เมื่อถามถึงช่วงที่บริสุทธิ์ช่วงนี้บริสุทธิ์ไหมช่วงนี้บริสุทธิ์ไหมไม่รู้เลย ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะไม่ได้นะครับจะไม่ได้คือไม่มีความไม่มีความสงสัยเลยว่าตรงนี้บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่มีความสงสัยเลยคือมันไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจตัวเออช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้อย่างนี้อย่างนั้นต้องให้อยู่ปริวารจนไปถึงนู่นนะครับที่บวชนะบวชมาหปีก็อยู่บริวารหปีไปชดใช้ไปอะไรอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปแล้วเราลึกได้อันนั้นต์เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นอีกส่วนหนึงเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่ามหาสุธันดับริวาร ระลึกถึงถึงราตีที่ที่ที่เราจะบริสุทธิ์นี่ระลึกไม่ได้นะครับระลึกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในลักษณะนี้แล้วเข้าสุทันปริวัติสุทันดบบริวาตก็เป็นอันสําเร็จนะครับแต่ในในขณะเดียวกันถ้าเป็นสมณนาสมุธนาณบริวาตินี่รู้เรารู้อยู่ใช่ไหมครับรู้อาบัติอยู่รู้รู้รู้อะไรรู้ราตีอยู่ว่าตัวนี้ปกปิดเท่านี้ตัวนั้นปกปิดเท่านั้นตัวนั้นปกปิดเท่านี้ นะครับรู้อยู่อย่างนี้แล้วไปเข้าสุดทันลักษณะไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ได้เหมือนกันเลยก็เรารู้อยู่ในนั้นบอกไม่รู้เพราะนั้นจะไปเอาเอาไปบวมลงกันไม่รู้บวมได้ยังไงรู้อะไรครับอย่างนี้เอาเอาเอารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเอาเอาไหนว่าให้มันชัดก่อนรู้อะไร ครับอารู้อะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวที่ทันรถสงสัยตรงนี้เอกาจัเมื่อเอกาจังเมือชาลอือ่ารู้กระตาไมรู้กระตาอ่าเอกาจังแปลว่าอะไรเอกจังบางอ่าบางข้ออ่างข้อเออถ้าอย่างนั้นก็อ่าวางข้อในที่นี้เอา him, like อ like เอาเอาเป็นบางข้อเลยนะครับ นี้เอาบางอะไรดีบางตัวหรือบางลาตีมันมันต้องเป็นบางตัวนะครับบางบางข้ออ่าบางข้อบางข้อก็ไปตรงกับวิจฉะถ้าอย่างงั้นแต่ในตอนี้ไม่มีเอกจังเลยไม่มีไม่มีไม่มีเอเกเจก็ไม่มี ออบางพวกสงสัยบางพวกไม่สงสัยไม่มีถ้ามันมีตรงนั้นอืก็ต้องให้เขาดูบาลีแล้วถ้าอย่างนั้นมันพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับอย่างนั้นถ้าจะไปเอ า, า่รู้ๆตรงนั้นเดี๋ยวผมเอาพระไดริฎกแต่เดี๋ยวเขาจะอ้างกเกิเดเขาอ้างคําของเขาที่มันแต่งขึ้นมามันเกินไปนิดหนึ่งมันก็เลยทําให้เสียความไปพอสมควรนะครับ Ask, ปริยั ญ, ญาตังนี้มีในบาลีแล้วก็มีอาปฏิปริยัญตังรติปริยัญนตะังนชานามิที่ที่เขใช้กันอย่างในมณฑพิธี ande, เงี้ยก็จะบอกรติราตาอ๋อได้ได้ได้ได้ น, นันได้รติบริยัญาตังเอก จ, จังชาน า, า, ามิเอ ก, เอกจังนาะนะชานามิเออไอเอธาเอากจัง น, นี่มันถ้าเราไปเอกไปแล้วมันชักชักชักจะเพี้ยนแล้วถ้ามันมีเอกจังเข้ามาใช่ไหมฮะปฏิบาลีไม่มีไม่มีครับ อย่างนี้แหละมหาทั้งหลายทั้งกรเลยบอกว่ามันแปรรวมลงหมดแล้วทุกอย่างครอบคุมไปไม่มีเนื้อถึงถึงมันจะมีเอกจากมันก็ยังยังถ้าถ้าแปลให้มันถูกมันก็ยังยังอย่างนั้นอยู่เดิมครับยังยังไม่ตรงกับเอสมุทานะไม่ตรงกับมิสกะอยู่เดิมใช่ไหมครับไม่ใช่ถึงมันไม่มีก็ยังไม่ตรงอยู่ถึงมันมีถ้าแปลให้มันตรงตรงเนื้อความมันมันคื อ, ค, อคือดูก่อนว่ามันมันเริ่มต้นมาจากยังไงครับใช่ไหมครับแล้วถึงไปอ่านกรรมวาจา ดูก่อนว่าพระุทธเจ้าอนุญาตยังไงอย่างไงวิธีปฏิบัติก่อนไอ้ตรงนั้นมันเป็นกรรมวาจาใช่ไหมเป็นกรมวาจาเดี๋ยวเดเดี๋ยวผมอ่านเอกัดจังครับเอกะจังไม่ใช่มันร ของเรามีไอกะจังของของเราที่นั่นแหละเขาทำมันมีกะจังไม่ใช่ของเขามันมีไอ้กจังด้วยมีชานามิด้วยแต่ของเราไม่มีชานามิมันมีาามมแต่หน้าชานามิเท่าั้ไม่ใช่ของเรามีนะครับใ น, นพระไตรปิฎกเยอะแยะเลยครับมีจนถึงหกสิบวันร้อยวันปีหนึ่งหกปีอะไรนี่ครับกรรมอาจารย์แต่ที่อย่างคัศมวทานอะไรอะไรมีท่านจะมีตัวอย่างไว้ ปิดไว้อย่างมากหาตัวแล้วท่านจะบอกว่าถ้าตัวที่มากกว่านี้ก็เปลี่ยนเฉพาะสังขยาวิธีก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่เยอะครับเยอะตัวอย่างในบาลีนี่มากมายครับมากมายจนอาจารย์ถามบอกว่าผู้ที่ไม่มีัญญารอ่านแล้วจะจับเนื้อความได้อย่างอย่างนี้นะครับจุดทันเทพรวาดนะเอาคําแปลนะครับ ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็แล่สงพึงให้สุดทันจะบริวาสอย่างนี้พึงให้ปริวาสอย่างนี้นะครับพึงให้ปริวาสอย่างนี้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายสงพึงให้สุดทันบริวาสอย่างไรเล่าพิสูจไม่รู้ที่สุดอาบัติไม่รู้ที่สุดอาตีราตีนะครับระลึกที่สุดอาบัติไม่ได้ระลึกที่สุดราตีไม่ได้สงสัยในที่สุดอาบัตสงสัยในที่สุดราตีพึงให้สุดทันปริวาสนะครับพึงให้สุดทันจะปริวาสนะครับ พิสูร you, know ู้ที่สุดอาบัติไม่รู้ที่สุดราตีระลึกที่สุดอาบัติไม่ได้ระลึกที่สุดราตีไม่ได้ไม่สงสัยในที่สุดอาบัติสงสัยในที่สุดราตีพึงให้สุดทันตรีวาทนะครับต่างมโนฮะสองข้อในต่างกันนะระลึกที่สุดไออันอันแรกนะครับอันแรกก็ระลึกที่สุดราไอระลึกที่สุดอาบัติไม่ได้ระลึกที่สุดราตีไม่ได้ อันที่สองก็ระลึกที่สุดอาบัติไม่ได้ระลึกที่สุดราตีไม่ได้เหมือนกันตรงนี้เอาเอาเอาตรงนี้ะระลึกที่สุดอาบัติได้ระลึกที่สุดราตีไม่ได้แต่รู้ที่สุดอาบัติไม่รู้ที่สุดราตีนะครับข้อที่สนี่อันที่หนึ่งทั้งไม่รู้ที่สุดอาบัติไม่รู้ที่สุดราตีอันที่สองรู้ที่สุดอาบัติคือกี่ครั้งใช่ไหมครับแต่ไอไอตัวไหนครั้งไหนไอไอกี่วันกี่คืนไม่รู้ระลึกที่สุดราตีไม่ได้ไม่รู้ที่สุดราตี คือมันเท่าไหร่ไม่รู้วิจัไม่นานเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้รนะครับมันมีเยอะจะซ้ํากันอย่างนี้ไปจนถึงโอมากเลยอย่างเราบางอย่างนร้เดี๋ยวผมดูตัวบาลีนี่หนึ่งนะครับผมรู้แล้วว่าเขาเอาเอกัดจังเอกัดเอกัดจังอะไรวะอ่าเ อ, เอากัดจังเอกัดเจอะไรพวกนั้นมาจากไหน มันไม่มีในกรรมวาจานะครับเขาไปเอามาจากในคำคำที่เราเรียกอะไรนอกกรรมวาจารเรียกว่าเขาจะเล่าไอ๋อพระเจ้าจะแสดงที่ถึงว่าพิสุรละลึกเอามันมันมีหลายพ่อระลึกอาบัติไอ้ที่สุดอาบัติบางตัวก็ไม่ได้นะครับไม่รู้บางตัวก็ไม่รู้นะครับ ราตีระลึกราตีสุดราตีไม่ได้ระลึกที่สุดของอาบัตบางตัวไม่ได้ระลึกเอบางตัวระลึกได้บางตัวระลึกไม่ได้นะครับที่สุดของราตีระลึกไม่ได้ที่สุดอาบัตบางตัวสงสัยบางตัวไม่สงสัยอย่างนี้นะครับเขาจะไปเอามาจากข้างนอกแล้เอามาผสมกันในกรรมวาจานะครับมันจึงมีที่เอนดูกรรมวาจานะครับ สุนาอุนาตุเมพันเตสังโฆยังอิธันนาโมพิกุสัมโวราสังฆิเสาปิโยอัชิอันนี้ควาชานอติปริยันตังนชานาติรติปริยันตังนชานาติอภิญตังนนสระติรติปริยันตังนสระติอฏิปริยันเตเวมิโกรติปริยันเตเวมิโกโสสังฆดาสังาปฏินางสุทาปรวาสังยาจติญติสังฆสซาปตะกะลังสังโฆอิธันนามัสาพิกุโนตาสังฆาปฏินางสุทาปรวาสังทะเทยะเอสายตินิญติ ไม่มีพวเอเอกเจเอกเจอมันมันอยู่มันไม่ใช่กรรมวาจาครับบอกบอกบอกว่าบางคนเป็นอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนี้เราให้ปฏิวัติยังไงหมายถึงอย่างนั้นมันไม่ใช่คนเดียวกันที่ที่ที่เอามารวมในกรรมวาจาทุกคนคือใครใคเป็นยังไงก็เอามารวมลงอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นในกรรมวาจาเนี้ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเป็นอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนี้เราจะให้ขออย่างไงจะให้ทำอย่างไง ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆไม่รู้เขาประสงค์ยังไงเริ่มแรกแต่งกรรมวาจาที่เขาทำกันออกมานะครับ <c oughs> ทำไมทำความจริงกรรมวาจาในบาลีนี่เกี่ยวกับกรรมวาจาแล้วก็ปริวาณี่มากทีท่สุดครับเพราะตัวอย่างมันเยอะเหลือเกินเยอะก็บอกพูดกรรมวาจาไปเรื่อยๆเยคนนี้เป็นอย่างนงี้ก็ ไปขอๆขอขอก็พระสงฆ์สวดๆก็สวดๆ ว, ว, ว่าหมดเลยไม่ยอดเลยสักนิดหนึ่งครับไม่ยอดเลยว่าแล้วว่าอีกเพราะนั้นเนี่ยคัดลอกกับวาจาจึงออกมาเป็นจะคัดออกมาเยอะๆก็ได้ส้อนๆซอนๆพิมพ์ให้มันหนาๆเลยก็ได้เดี๋ยวก็พูดกับวาจา ก, ก็ใกล้เคียงกันของเดิมเปลี่ยนหนึ่งเงี้ยเปลี่ยนชื่อพระเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปลีนคือเรื่องเกิดขึ้นบ่อยๆก็พูดไปเรื่อยๆอย่างนี้ในบาลีไม่หยุดเลยไม่ไม่ไม่ไมเบื่อ อะไรครับ <S <S ชาณติชานาติอ๋อถ้าชานามิขอเหลยคาขอเลยคำขออ่ า, ออาในในนี้มีมีมีมีเดี๋ยวนะอ้าว <c oughs> ผมจะอ่านให้ฟังอ่านอ่านอ่านทำมเห็นหนึ่งเตนะโคปนะสมัยนาญะตโรภิกุสมะอุราสังฆานิเสสาบริโยอาปโนโหติโตอาปฏิปริยันตังนาชาาติรติปริยนตังนชาณติอาปฏิปริยนตังสรติ รติบริยันตังนะสัตติยาปฏิปริยันเตเวมิโกรติปริยันเตเวมิโกโสภิขูนังอารโเจสเริ่มไปบอกแล้บอกว่าอย่างไรนี่ตอนนี้นี้จะเป็นคาบอกนะครับตรงนี้ตรงนี้บอกว่าความเป็นมาว่าเธอทำยังไงมาหังอาโสสัมโภฬสังฆิชาปิโยอาปัจิงอาปฏิปริยันตังนะชานามิรติปริยันตังนะชานามิอาปฏิปริยันตังนะสรามิรติปริยันตังนะสรามิอาปฏิปริยันเตเวมิโกรติปริยันเตเวมตโกบอกอย่างนี้นะครับกระถังนุโขมยา พอบอกแล้วก็ถามต่อไปว่าจะทำยังไงกระัางลูกโคมยาปฏิปันชิตพันตินี่ถามอย่างนี้ไปบอกกับพระอย่างนี้แล้วนะครับก็ถามว่าจะทำจะทำยังไงผมทําอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพระก็ไปบอกบอกโน่นบอกบอกกับพระเจ้าว่าเดี๋ยวไปบอกกับพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเธอต้องทําอย่างนี้นี่เตนะพิกุเวพิกุนาสังคังอุปสังควินตาวะเอกังสังอุตราสังคังรเรตวะวุฒานางพิกูนางกวาเทวันทิตวะ อุตติกังนิสีชวานเชิริงปะเพตว่าบอกว่าก็ต้องเข้าไปหาพิกษุไปไหว้เท้าพิสุผู้มีพรรษาแก่กว่านั่งกระโยงปนมือประคองอัญเชรีเอวมะสาวจนิโยพึงกก่าอย่างนี้ว่าหังพันเตสมราสังฆานิเษสาปฏิงาปฏิปริยนตังนะชานามิรติปริยนตังนะชาณิมิอาปฏิริยนตงนะสารามิรติปริยนังนะสารามิอาปฏิปริยนเเวมิตโกรติปริยนเเวมิโกหังันสังหังาหังอาปฏินางสุธันนิราสังญาจามิแคนี้ทุติยติสติอย่างนี้ครับ านนน แ, น, า น, อ น, น, แ น, านอันนี้มันมีแต่ชานนนี้แต่ว่าชานนนีมันไม่มีแล้วไม่มีไม่มีของเขาไม่ใช่ในในของเขาก็ที่ผมบอกแล้วไงของเขาก็เอามาจากจากที่เรื่องราวที่เกิดแล้วก็เอาเข้ามาประกอบในกรรมวาระในคำขอในอะไรอย่างนี้ต่างหาก <c oughs> เดี๋ยวในตัวอื่นอีกอาจจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันมีหลายตัวอย่างมากมายทำอย่างนี้แล้วก็ พอพอมีอาการอย่างนี้แล้วก็สงสัยไปบอกสงถามว่าจะทํำยังไงแล้วก็สงก็ไปพระพุทธเจ้าก็เป็นตอนตอนตอนตอนไปเปลี่ยนกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิด ห, หนึ่งอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะผมดูอีกนิดหนึ่งจะมีไหมแต่อันนี้อันเริ่มต้นไม่มีนะครับเออแล้วผมพูดงขอพูดดอกเริงตรงนี้นิดหนึ่งนะอ่าเพคะอ่าพอสวดสธุตีจะตาตินะครับยาจิตาโพพึงขออย่างนี้แล้วนะครับ พยเตนะพิคุณาปฏิปเรนะสังคโคยาเปตะโภกรรมวาจาทั้งหมดเลยนะครับในในพระวินัยนี่กรมวาจาที่เกี่ยวกับกรรมวาจาจะใช้คําว่าพยเตนะพิคุณาปฏิปเรนะสังคโคยาเปตะโพทําไมเ <c oughs> ขาก็ตรงนี้บอกว่าทําไงให้ภิกษุผู้ชาราดสามารถนี่ผู้มีกําลังผู้ชาราดสามารถนี่สวดประกาศให้สงทราบนะครับคือตั้งยติแล้วก็สวดกรรมวาจาจะใช้เป็นเอกับเอกกวิจนะพยะเตนะพิกคุณา ปฏิเพรนะนะครับจะใช้อย่างนี้อสมัยก่อนใช้กันมาอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้บางทีบางกรรมวิจาใช้สององ์เลยเรียกว่าคู่สวดใช่ไหมครับเลยเรียกว่าคู่สวดแล้วก็ต้อง ใ, ใส่ทำนองเข้าไปสุนาตุเมพันเตสังโกอย่างนี้ครับร้ อ, อ, องเป็นเพลงออกมาครับ อ, อต่อมาบรญยัติแล้วก็ไปสอบไปสอบเขาเรียกสอบอะไรวะสอบคู่สวด สอบคู่สวดไอ้ตองสอบบอกสอบอตองสอบต้องไปสวดให้เขาฟังต้องไปสวดให้ทางจังหวัดฟังอย่างน้อยทางจังหวัดฟังนะครับถ้าไม่ไม่สวดอย่างนี้สอบไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ได้นั่นะต้องไปสวดอย่างนี้คู่กันถ้าเราเรามาเทียบกับบาลีทําไมพุทธเจ้าไม่บอกว่าคู่แห่งวิสูทั้งหลายสองผู้ฉลาดผู้สามารถไม่มีในนกา ร, ร์วาจาร์เลยครับใช้องค์เดียวหมดเลยนะครับอโยมคนหนึ่งไป ไปที่ที่ทํามโอปนีวันนั้นมีการบวชโยมลูกหลานคนพม่ามาบวชที่ทํามโอแล้วครับก็อาจารย์ตีโรกะสวัดโยมคนไทยมาจากจากรุงเทพก็ไปเยี่ยมอาจารย์ก็เลยไปนั่งควังด้วยคือเข้าไปในโบสถ์ด้วยไปร่วม ง, งานบุญก็เข้าแหละครับกลับออกมาก็มาถามอาจารย์ว่าสวดองค์เดียวจะใช้ได้เลยครับแ <c oughs> ส้วก็มาอาจารย์องเดียวจะใช้ได้เลย อ้าวพอยมสงสัยแล้วพระที่มาด้วยสงสัยอีกเออจริงด้วยพระไทยต้องสวดสอง inside, bs, องค like. ์เพราะไม okay, ่ง so ั้นเขาจะเรียกคู่สวดทําไมเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีคู่สวดมันจะสําเร็จได้ไงเออไปโน่นนี่เออก็ดีเหมือนกันถ้าท่านได้เป็นคู่สวดนะครับอย่าไปชวนใครมาสวดนะเวลาโยมมานิมนต์ก็สวดมันองค์เดียวเลยครับคู่พร้อมกันทำไมสุดโต๊ะเล่นกันดิ้งเหงาให้มันพร้อมกันให้มันเหมือนกันเปี้ยไปเลยครับแล้วยังไงมันจะจึงจะผัดกันผิดทีละคนน่ะ ก็มันว่าเหมือนกันทำนองเดียวกันอะไรออกเสียงต้องคอยคอยกันถ้าเสียงไม่เข้ากันเดี๋ยวก็ไม่นิมนต์มาคู่กันอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็ไม่ไม่นิมนต์มาคู่กันฮะไม่เข้ากันแก่กับหนุ่มอะไรอย่างนี้ครับไม่นิมนต์ตรงนี้ข้างนอกนะครับตรงนี้ข้างนอกนะครับเขาใช้ระบบทีมเวิร์กอ้าวข้างนอกนะครับตรงนั้น จักลามออกไปเรื่องบวเรื่องเบดิดอ่ามแฝะเข้าไปนิดนึงอ่าถอยออกมาทีนี้หมดไปนะครับเรื่องของท่านรถยังสงสัยป่าครับสงสัยว่าอย่างไรไหมครับเกี่ยวกับจุดทันกับอ่าสมทุทร